เจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ากรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญกันเพราะมีศรัทธา ผ่นเชื่อในบุญเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจรู้เหตุที่จะนํามาเสื่งความสุขรู้เหตุที่จะนํามาเสื่งความทุกข์ ดูจากวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอน ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องของการสิ้นสุสนสดแห่งความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ ี่สูดทรงพบทรงเห็นทรงได้บรรลุถึงแล้วมีความมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงนำมาสั่งสอนนั้นล้วนเป็นความจริงล้วนเป็นประโยชน์สู่กับผู้ที่ฟังแล้วมีศรัทธานำเอาไปปฏิบัติ เพราะนะการฟังเฉยๆอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาการฟังนี้ยังเป็นเหมือนการจดจำเหมือนกับคนที่เขามีสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งเขาเคยไปเที่ยวมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็มาบอกเล่าให้เราฟังผู้ฟังก็เป็นเพียงแต่ รับรู้แล้วก็จดจำสิ่งที่เขาพูดมาแต่ยังไม่ได้เห็นสถานที่ของจริงจึงไม่ได้รับประโยชน์ยังไม่ได้รับความสุขความตื่นเต้นตะการตาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ไปสัมผัสกับของจริงแล้วดังนั้นเมื่อฟังแล้วถ้าเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความอยากที่จะได้สัมผัส ได้เห็นกับสิ่งที่เขาเล่ามาเราก็ต้องไปที่ที่นั้นไปที่ที่เขาเล่าว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็จะเห็นความจริงเราก็จะไม่ต้องจดจําอีกต่อไปเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเราจะไม่สงสัยว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร สิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นไม่ว่าจะเป็นนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพระนิพพานก็ดีการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีบุญกรรมก็ดีเป็นสิ่งที่เรายังไม่เห็นกับตาของเราเองถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่พิสูจน์ดูเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่รู้เราก็จะสงสัยไปเรื่อยๆ ว่าทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าทำบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าทำบาปแล้วตกนรกหรือเปล่าเพราะเราเห็นคนที่ทำดีไม่ค่อยได้ดีเท่าไรเห็นคนทำบาปได้ดีมากมายกายกองแต่ดีของเรากับดีของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เหมือนกันดีของพวกเราหมายถึงมีเงินเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้ไปกินได้ไปดื่มได้ไปดูได้ไปฟังตามความพอใจของตนนี่พวกเราเรียกว่าเป็นความดีกันแต่พระพุทธเจ้านั้นกลับว่าไม่ดีกลับเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับเรามีเงินมากมันไม่มีความสุขมากตามมีตาแหน่งสูงมันไม่มีความสุขมากตามงนะมันมีแต่ความทุกข์มากขึ้น แต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะพวกเราเป็นพวกตาบอดพวกหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นไม่รู้ความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความทุกข์ที่กำลังเผาหัวใจของเราอยู่นั้นกำลังเผาอยู่แต่เรากลับไปมองข้างนอกลืมมองข้างในเหมือนกับเราไปเที่ยวที่อื่นไฟกำลังไหม้บ้านเราอยู่เราก็ไม่รู้ว่าไฟกำลังไหม้ ก็ยังเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเฮฮานี่ก็คือใจของเราเป็นเหมือนบ้านของเราแต่เราไม่ค่อยอยู่บ้านเราเรามักจะออกนอกบ้านไปหาสิ่งต่างๆหาความสุขจากนอกบ้านเวลาบ้านเราเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็ไม่รู้สึกตัว mm hmm. เพียงแต่บ้านของเรานี้มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หมดเท่านั้นเองไม่เท่าไหร่ก็ไม่หมด เพียงแต่ว่ามันไหม้แล้วทำให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจทำให้เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ทำให้หวาดกลัวทำให้กังวลนี่แหละคือไฟที่กำลังเผาใจของเราอยู่แต่เราไม่รู้กันว่ามันเป็นเป็นไฟเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเราไม่รู้ว่าเราสามารถ ดับมันได้เราไม่รู้ว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ชีวิตของเราจึงคุกคล้าอยู่กับความทุกข์ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาเพราะเราหูหนวกตาบอดลามัวแต่ไปหาฝืนมา <c oughs> มาใส่ในกองไฟในหัวใจของเรา เวลาที่เราออกไปหาสิ่งต่างๆมาด้วยความโลภด้วยความอยากนี่เป็นเหมือนกับเราไปหาฟืนมาใส่ในกองไฟของหัวใจเราทำให้ไฟแห่งความทุกข์มันลุกโชนขึ้นแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม น, นถ้าเราไม่มีคนอย่างพระพทธเจ้า <c oughs> คนอย่างพระอริยสงสาวกมาสอนมาบอกเราแล้ว ชีวิตของเราก็จะต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่ได้พบกับพระ พ, พุทธเจ้าไม่เพืได้พบกับพระพธรรมคําสอนไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีโอกาสที่จะได้มีความสุขความสงบความปราศจากความทุกข์เสียทีแต่เราคราวนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้าเองเราก็ได้เจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า ทำวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้นี้โดยชอบแล้วจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปของพวกชาวพุทธต่อไปดังนั้นพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากภาพตถาคตไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนนี้ เป็นองค์เดียวกันเป็นตัวแทนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนตัวเรากับชื่อเราเราชื่อสมศักดิ์ก็เป็นตัวแทนของเราตัวเราก็เป็นตัวเราเป็นสมศักดิ์จะเรียกสมศักดิ์ก็ได้จะเรียกว่าเราก็ได้มันก็เป็นตัวเดียวกันฉันใดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเองก็เป็นองค์เดียวกัน แต่พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้นี้ที่เรามีบูชาเช่นเราห้อยขอนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงกระจกสะท้อนให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นสติเขาเรียกว่าเป็นพุทธานุ ส, สติเป็นตัวคอยตืนสติให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเลิกถึงพระธรรมคำสอนเพราะถ้าเราอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปหาพระธรรมคาสอนและถ้าเราอยากจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาในจิตในใจของเราเพราะเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาแล้ว เราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่กับใจเราไปตลอดตอนนี้ถึงแม้เราจะมีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าถึงแม้เราจะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เราฟังเท่านั้นพอเราไม่ได้ฟังพอเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าก็หายไปจากใจของเรา แต่ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเราปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับใจของเราไปตลอดเราจะรู้เราจะไม่สงสัย <c oughs> เมื่อผลแห่งการปฏิบัติปรากฏขึ้นมาเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคำสอน นี่เป็นองค์เดียวกันดังที่ทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาด้วยความด้วยความชอบธรรมคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นและจะเป็นผู้ที่ เห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคู่อยู่กับใจไปตลอดผู้นั้นบุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็มีตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ขั้นพระอรหันต์ที่มีหลายขั้นเพราะกิเลสยังมีหลายตัว ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ทีเดียวทันทีในเวลาเดียวกันเหมือนกับเรียนหนังสือมีวิชาต้องเรียนหลายวิชาด้วยกันต้องค่อยๆเรียนไปเรียนจากปอหนึ่งขึ้นไปจนถึงปริญญาเอกต้องไต่เต้ า, ตาขึ้นไปพระอริยสงสาว ก, ก็เช่นเดียวกันต้องไต่เต้ า, ตาขึ้นไปจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองสู่ขั้นที่สาม จนถึงขั้นที่สถึงจะสำเร็จเต็มบริบูรณ์ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกได้พระนิพพานได้ไปถึงที่ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือพระอาาริยสงสาวกและไม่ได้มาจากใครที่ไหนก็มาจากผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อนี้และผู้ที่ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ไม่ได้ฟังสักแต่ว่าฟังไม่ได้ฟังเอาบุญถ้าจะฟังเอาบุญจริงๆต้องเอาไปปฏิบัติถ้าคิดว่าฟังเอาบุญแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาอย่างนี้ไม่เรียกว่าได้บุญอะไรเสียเวลาเปล่าๆ <c oughs> เหมือนกับเสาผู้ให้เสาฟังทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเทศนาว่ากล่าวให้กับเสาฉัในใดคนที่ฟังแล้วสติเลื่อนลอย ใจเลื่อนลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับการฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรไปบ้างอย่างนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องฟังด้วยสติมีสติรับรู้เสียงที่เข้ามาสัมผัสกับใจอยู่ตลอดเวลาและต้องฟังด้วยความสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจา ไม่ทําอะไรในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมไม่พูดไม่คุยกันเพราะถ้าเราทําอะไรแล้วใจของเราก็จะไม่ได้อยู่ที่ฟังไม่ได้อยู่ที่เสียงของธรรมะถ้าเราคุยกันเราก็จะไม่ได้ยินเสียงธรรมะได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าไปในผูไม่เข้าไปในใจไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยรับ เวลาฟังถ้าอยากจะฟังให้เกิดความเข้าใจต้องฟังแล้วไตรตรองคิดตามไปด้วยถ้าไม่คิดตามก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่คิดตามแต่ยังตั้งใจฟังอยู่ก็จะได้ความสงดได้สมาธิแต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้แสงสว่างที่จะทำให้หายสงสัยในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนวหว้ตายเกิดเรื่องการไม่ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นจะไม่รู้ถ้าฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็จะร้องอ๋อทันทีอ๋อเข้าใจแล้วว่นานรกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนนิพพานอยู่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งลึกลับอะไรเลยเพียงแต่ใจของเรามันถูก ความหลงปิดเอาไว้เท่านั้นเองเหมือนกับคนตาดีที่ถูกผ้ามัดปิดตาเอาไว้ยังเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรมองไปที่ไหนก็รู้สึกว่ามันดำมันมืดไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าตาไม่สามารถมองทะลุผ้าที่ปิดตาเอาไว้ได้ถ้าเอาผ้าออกปั๊บทีเดียวก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับคนตาดีทั้งหลายเห็นกันใจของพวกเราก็เป็นเหมือนตาบอดตาดีแต่ถูกผ้าปิดเอาไว้ใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันตรงที่ใจของพวกเรามีความหลงมันปิดบงังตาเท่านั้นเองปิดบังใจไว้เท่านั้นเองใจของพระพุทธเจ้านี้ถูก ได้รับการชำระจนความหลงนี้ถูกกาจัดหมดไปแล้วไม่มีอะไรมาปิดบงังตาของพระพุทธเจ้าตาของพระอระหันต์ของพระอริยขั้นต่างๆท่านจึงมองเห็นสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นพระนิพพานท่านเห็นการเวียนว่ายตายเกิดท่านเห็นบาปท่านเห็นบุญ ท่านเห็นวิบากเห็นว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นและในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีความสุขเพราะอะไรมีความทุกข์เพราะอะไรนี่คือสิ่งที่พวกเราจะสามารถเห็นกันได้ทุกคนเพราะเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็ไม่แตกต่างอะไรกันมีกายมีใจเหมือนกัน ต่างตรงที่ท่านมีปัญญาท่านมีศรัทธาท่านมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆในอดีตแล้วท่านก็นำเอามาปฏิบัติจนกระทั่งท่านได้กำจัดความหลงความมืดบอดหมดสิ้นไปจากใจท่านมีตาที่สว่างสวยแล้วก็นำเอาสิ่งที่ท่านทรงรู้ทรงเห็น เอามาเผยแผ่ให้กับพวกเราอีกต่อหนึ่งพวกเราถ้ามีศรัทธาแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเราจะไม่มีความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอาหารหันตสาวกเพราะไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยจากเราและท่านเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็หูหนวกตาบอดเหมือนเราหลงในลาบยศรเสิริญสุขเหมือนเรายังมีครอบครัวเหมือนเรายังรักสามีรักภรรยายังห่วงลูกยังห่วงพ่อห่วงแม่ ยังห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเหมือนเรายังทุกข์เหมือนเราอยู่แต่วันหนึ่งท่านเกิดความฉลาดขึ้นมาท่านเห็ น, ท, นท่านเกิดคิดขึ้นมาว่าเออเรากําลังอยู่กับความทุกข์นะเราไม่ได้อยู่กับความสุขเลยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่ถึงแม้จะให้ความสุขเราบ้างมันก็เป็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ที่ได้เรา เราได้รับจากสิ่งเหล่านี้มันมากมายกายกอมันทุกข์อยู่ตลอดเวลามันห่วงอยู่ตลอดเวลามันห่วงอยู่ตลอดเวลามันกลัวอยู่ตลอดเวลาพอคิดถึงความตายขึ้นมาก็กลัวกันแล้วพอคิดถึงการพลาดพากจากกันก็กลัวกันแล้วนี่กะคือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่กล้าคิดไม่กล้ามองมันกลัวพอคิดแล้วทำให้เหล่านี้ ไม่มีกำจิตกลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรนี่คืออำนาจของกิเลสมันหลอกให้เราไม่ให้เราคิดไม่ให้เราเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เราถ้าเรากล้าคิดแล้วเราจะเห็นเห็นความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นความทุกข์และเป็นสิ่งที่เราสามารถกําจัดมันได้เราก็จะเกิดศรัทธา เชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้มาเป็นสมบัติว่าเป็นสิ่งที่เลิ่ที่ประเสริฐจริงๆไม่มีอะไรที่จะเลิ่ที่ประเสริฐเท่ากับอริยทรัพย์เท่ากับทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติ เ, เพราะทรัพย์ น, นี้ให้แต่ความสุขอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์เหมือนกับทรัพย์ที่เราบีกันในปัจจุบันนี้ทรัพย์ที่เรามีกันนี้มีความทุกข์ติดมาเพราะถ้าเราไม่มีมันเราก็ทุกข์แล้วถ้ามันหายไปเราก็ทุกข์แล้วถ้ามันมาน้อยหน่อยเราก็ทุกข์แล้วนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันคนฉลาดถ้ายังต้องอาศัยทรัพย์อยู่ก็จะอาศัยแบบฉลาด คือใช้เท่าที่จำเป็นใช้น้อยๆเผื่อวันไหนไม่มีใช้จะได้ไม่เดือดร้อนต้องอยู่แบบไม่มีทรัพย์ได้ต้องอดข้าวได้วันหนึ่งวันไหนไม่มีเงินใช้ต้องอยู่ได้ต้องไม่ทุกข์กับมันคนเจลายเขาฝึกเขาฝึกอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองวันไหนถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่ถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะไม่ใช้เงินเมื่อเขาฝึกอยู่อย่างนี้ อ, เ ร, อเรื่อยแล้ว เงินทองก็จะไม่เป็นปัญหากับเขาอีกต่อไปเขาไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนมีน้อยหน่อยก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจไว้อยู่กับเงินทองนั่นเองเขาอาศัยมันเท่าที่จำเป็นถ้าไม่มีเขาก็ยอมตายเขาก็ยอมอดก็มีเท่านี้เองถ้าเป็นอย่างถ้ายอมอดได้ยอมตายได้แล้วเรื่องเงินทองนี้จะไม่เป็นปัญหากับใครทั้งสิ้น เพราะเขาเห็นว่ายังไรสักวันหนึ่งก็ต้องอดต้องตายอยู่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกินไม่ได้มันก็ต้องอดอยู่ดีวันเราเวลาใกล้าตายมันจะกินอะไรได้มันก็ต้องอดไปจนมันตายไปนั่นเองเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องอดจะต้องตายอยู่แล้วเราไปกลัวความอดความตายทำไมเราทำไมไม่หัดอดกันไม่หัดตายกันเพราะถ้าเราอดเป็นเราตายไปแล้ว เราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจจะตกตำ่ำน้ำมันจะแพงข้าวของจะแพงอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราก็กินไว้เผื่อไว้ต้องเป็นปีแล้วร่างกายของเรานี้มันเก็บอาหารไว้เป็นเดือนได้อดข้าวเนี่ยรับรองได้เดือนหนึ่งไม่ตายขอให้มีน้ําอยู่เท่านั้นแหละแล้วกับจะดีสุได้ซ้าไปจะได้ลดความอ้วนไปในตัว จะได้กลายเป็นคนสวยคนรูปร่างหน้าตาดีทุกวันนี้เราถูกอำนาจของกิเลสหลอกให้เรากินอย่างไม่รู้ จ, กจักจบจากสิน้นกลัวอดกลัวอยากกลัวหิวมันไม่หิวหรอกมันกินขนาดนี้มันจะไปหิวอะไรร่างกายมันไม่หิวที่มันหิวมันหิวที่ใจใจมันไม่ได้กินซะหน่อยตัวร่างกายนี่มันบอกพอแล้วพอแล้วน้ำหนักเกินแล้วอ้วนแล้วอ้วนแล้ว แต่ใจคือความโลภนี่มันบอกยังไม่พอยังไม่พอยังอยากกินอยู่ยังอร่อยอยู่เห็นหนั่นั่นก็อร่อยเห็นไอ้นี่ก็อร่อยนี่เป็นพ่อเราฝากความสุขฝากชีวิตของเราไว้กับสิ่งที่มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจีวิตจิตใจของเราเราไม่ได้ฝากไว้กับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราฝากไว้กับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะอยู่อีกอย่างหนึ่งเราจะอยู่แบบพระสงฆ์อยู่กัน กินหนเดียวกินวันเดียวก็อยู่ได้แล้วไม่ตายรับรองได้กลับมีสุขภาพที่ดีกว่ามีรูปร่างที่ดีกว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่เรากลับไปเชื่อกิเลสแทนที่เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่เราเป็นชาวพุทธเรากล่าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันสวดอรหังสัมมาสวัสดขาโตสุปฏิปันโนทุกวันแต่ก็สวดแบบนกแก้วแก้วจา๋าแก้วจา๋า แต่ไม่รู้ว่าแก้วเป็นอะไรเวลาหยิบแก้วของดีให้นกแก้วมันมันก็โยนทิ้งไปมันกินไม่ได้นกแก้วมันต้องเอาพริกนี่ต้องเอาพวกผลไม้ต่างๆมันถึงยะมันถึงจะชอบแต่พอให้แก้วของดีให้เพชรมันมันไม่เอาพวกเราก็เหมือนกันพอให้พระรัตนตรยัยแก้วแหวนอันประเสรินนี้เราก็ไม่เอากัน เราจะเอาแต่ข้าวเอาแต่น้ำเอาแต่ขนมเอาแต่ของที่กินแล้วทำให้เราอ้วนกันเลิกชีวิตของเราจรึงไม่ได้ไปไหนสัทีก็ยังวนเวียนว่าอยู่กับเรื่องความทุกข์กับเรื่องกินเรื่องนอนนี่แหละไม่ได้ทุกข์กับอะไรกินมากก็ทุกข์กินน้อยก็ทุกข์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ทุกข์แต่ก็ไม่อยากจะนอนเพราะอยากจะดูหนังอยากจะดูละครเพราะอดหลับอดนอน ก็ติินขึ้นมาก็หงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจนี่เป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตของเราไม่เป็นนั่นเองเราไม่ใช้ชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ให้อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูมากจนเกินไปอย่าไปฟังมากจนเกินไปอย่าไปกินอย่าไปดื่มมากจนเกินไปคือให้รู้จักประมาณ คำว่ารู้จักประมาณก็คือพอดีกับความต้องการของชีวิตของเรามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเช่นอาหารถ้าเรบประทานมากไปก็อ้วนถ้ารับประทานน้อยไปก็ผอมไม่มีเรี่ยวแรงเป็นโรคภัยขึ้นมาได้เหมือนกันต้องกินพอดีกับความต้องการของร่างกายรองเท้าก็ต้องขนาดพอดีใหญ่เกินไปใส่ไปมันก็หลวม ใสไม่ดีถ้าคับเกินไปใส่มันก็เจ็บมันก็ไม่ดีเหมือนกันทุกอย่างต้องพอดีต้องรู้จักประมาณจะดูจะฟังอะไรก็ฟังพอสมควรให้รู้จักเวล่าเวลาเวลาพักผ่อนก็ควรจะพักผ่อนเวลาทำมหารรมหากินก็ควรทำมาหากินให้มันรู้จักแยกแยะให้มันถูกต้องแล้วชีวิตของเราจะได้มี โอกาสที่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปเพราะยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากที่เรายัางไม่ได้ทำกันก็คือการบําเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่างมากทำได้ก็เพียงแต่ทำบุญตักบาตหรือวันเสาร์วอาทิตย์ก็มาวัดท่านั้นแต่มันยังไม่พอความจริงเราควรทาบุญทุกวันให้ทานทุกวันอย่างน้อยแล้วต้อง ต้องมีการรักษาศีลเป็นประจำแล้วต้องมีการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบอย่างน้อยวันนึงก็เช้าเย็ยนเช้าครึ่งชั่วโมงเย็ยนครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถ้าทำได้มากกว่า น, นี้ก็ยิ่งดีไนดะ้วิธีที่จะทำได้มากก็คือเราต้องรู้จักแบ่งเวลาเวลาที่เราเอาไปใช้กับสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่มันเป็นโทษเราก็ต้องตัดมันไป เช่นเอาไปนั่งคุยกันนินทากาเลอย่างนี้ก็เสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะคุยกันนินทากันสู้เปิดธรรมะฟังดีกว่าหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือไหว้พระสวดมนต์เพราะจะทำให้จิตใจเราสว่างสวัยขึ้นทำให้ความมืดบอดความหนงต่างๆนั้นมันเบาบางลงไป เมื่อเราเห็นผลของการปฏิบัติแล้วจะทำให้เราเห็นความไม่มีสาระของสิ่งต่างๆที่เรากำลังทากันอยู่นี้แล้วจะทำให้เราเริ่มตัดสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเคยดูโทรทัศน์เคยดูหนัง mm. ก็ตัดทิ้งไปเลย mm. เคยฟังละคร mm. เคยฟังอะไรต่างๆ mm. ก็ตัดทิ้งไปเลย mm. เคยไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ, ๆก็ตัดให้มันน้อยลงไป mm. เคยกิน อะไรมากๆก็ลดให้มันน้อยลงไปให้มันกินพอดีกับความต้องการของร่างกายเคยเล่นเคยทำอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็ตัดมันไปเลิกไปเคยทำงานแบบแบบหามทำแบบว่าไม่หยุดไม่ยัง้งอยากจะเล่า อ, อยากจะรวยก็เลิกมันไปเอารวยไปทำไมรวยแล้วทุกรวยไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้สู้อย่ารวยดีกว่า ทีเอาแบ่งเวลาที่ไปหาเงินนี้มาหาอาริยทรัพย์ดีกว่าหาทรัพย์ภายในหาความสุขที่แท้จริงมาตัดความทุกข์มาตัดความวุ่นวายใจให้มันออกไปจากจิตจากใจดีกว่านี่คือสิ่งที่เรายังต้องทํากันอยู่ถ้าเราไม่คิดกันแล้วเราปล่อยให้ชีวิตของเราดําเนินไปแบบดําเนินอย่างนี้อยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะเจะหลอนก้าวหน้าได้ การจะเจริญหรือจะเสื่อมนี่ไม่ได้อยู่ที่ใครพระไม่สามารถประพรมน้ำมนต์และทำให้เราเจริญได้เราต้องปะพรมน้ำมนต์นนให้กับตัวเราเองน้ำมนต์ที่วิเศษที่สุดก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้านี่แหละอ่านไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากปุถุชนก็จะได้ เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นพระอริยะขั้นต่างๆตัง้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปนี่คือการดำเนินของพระอริยะสงสาวกทุกๆุลูกท่านเมื่อก่อนที่จะเป็นอริยะสงสาวกท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนเราเป็นคลาววะเหมือนเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีสามีมีภรรยา มีทรัพย์สมบัติเข้าของเมือนทองต่างๆเหมือนกับเราแต่ท่านมีปัญญาท่านคิดว่ามันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขท่านจึงค่อยๆพยายามตัดมันไปทีละเล็งทีละน้อยจนในที่สุดท่านก็ตัดมันได้หมดออกบวชได้เพราะออกบวชได้ก็ทุ่มเทกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยไม่นานไม่เกินเจ็ดปีก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจานวนมาก นี่เกิดขึ้นมาแล้วในอนดีตและจะเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันและในอนาคตอยู่ที่ตัวของพวกเราเท่านั้นที่จะทําให้มันปรากฏขึ้นมาได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านมีความแน่วแน่ต่อศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสอนเชื่อในพระสงฆ์แล้วนำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าสักวันหนึ่ง ท่านจะมีหูตาที่สว่างสวยัยมีใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธานี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้